ประสบการณ์นอกกายเนื้อเล่มหนึ่งโรเบิร์ตเอมอนโรนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้หนึ่งได้มีประสบการณ์ชนิดที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างรุนแรงโดยที่มีคาดฝันมาก่อนเลยและโดยที่เขาก็ไม่ได้เต็มใจเลยอีกด้วยเขารู้สึกว่าเขาเกิดมีความสามารถเดินทางออกไปจากกายเนื้อได้โดยสิ่งที่เขาเรียกว่ากายที่สองและได้ไปเห็นสิ่งต่างๆห่างไกลออกไปตลอดจนถึงได้ทราบความจริงทางวิญ ญ, ญาณ ของชีวิตอีกด้วยผลก็คือเขาได้กลายเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกของโลกที่ไม่อยู่ในอำนาจของการเวลาและความตายเลยประสบการณ์นอกกายเนื้อแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง Journeys Out of the Body โดย r ร b บ r t A. m o อ r o e โรแปลโดยสิริพุทธสุขอาจารย์ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายพุทธศาสนาในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งคณะสงฆ์ไทยและอดีตบรรณาธิการวรารสารเดบันยูเอรีวิขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างยอดเยี่ยมและละอ่านเข้าใจง่ายเหมือนอ่านหนังสือที่คนไทยด้วยกันเขียนอาจารย์ชิริพุทธสุขผู้แปลเรื่องโลกทิพย์ภาค1ถึงภาค4และเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง หนังสือประสบการณ์นอกกายเนื้อเล่มนี้อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลสู่ภาคภาษาไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516สำนักค้นคว้าทางวิญญาณได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2517